สิกขาบทวิพังหนึ่งร้อคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าเพราะเห็นแก่อามิตคือเพราะเห็นแก่จีวรเพราะเห็นแก่บินทบาทเพราะเห็นแก่เสนาสนะเพราะเห็นแก่เีลานปัจัยเภสัชบริขัรเพราะเห็นแก่สการะ